สงให้เป็นในบาปเพราะให้ทานแต่ละทีรลรทนันนั้นเป็นทุกขลาภนะถ้าจะขอเกิดเป็นชาติหน้าจะได้ลาบจะลำบากแบบนั้นต้องแย่งกันถจงได้ตัวแจกทานไม่ได้แจกรำบารรจกราบลำบากไงอ๋อแจกดีกว่าใช่ใช่ ไม่เลยไม่ด้ไปเท่าทแมแจมาล้านลอยโอ้โหหหหหหหหม่หหหหหหหหหหหหหบหหหหหเหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหรหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหหห เราต้องโฟกัใจอยู่นี้หนึ่งเกี่ยกัเรื่องปิดทองมุทรสรุปต้มลก่อนผมลงหลักแล้วก็ปิดทอมไม่มีปัญหาใช่ไหมครับถ้ารื่องงานี้ผมทำอย่างนี้ลกที่แดงหลอดแล้วค่อปิดที่ห้ักไม่สบายใจว่าการกระทำเช่นนี้จะมีโทษหรือไว่และขอถามหลวงพอต่อไปก็เลยว่าการที่จะปิดทองสมุทสรุปั้นเราบวมจะ เอาไม่ดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วติดเลยไอ้เส้นกราบก็ปิดเลยใช่ได้สมัยก่อนลงรักสมัยนี้ปิดชี้แดงชาวชาติแดงก็ใช้ได้เลยเป็นไรอ๋อไม่ไม่ิดไม่ติดแดงให้ท้องติดกัวแล้วกันอ๋อปอกากาน่าเลยนะแล้วก็จะต้องบาบาาลีอะไรเราอะไรกดีเลยบ้าเลยกลเรื่อง เอาเงินแล้วกันนี่นะกลาบกลาบผมงปิดทองไปแผงเขาได้เล้านครับโอ้โหนี่ไงละล้านเลย่้ละล้านเออเรื่องขอการค่าโลภนะชอบใล้านใช่มันรวมันรวยมากแล้วไมโหลดต่อไปโอ้ใช่มมันเต็มที่ใช่ไหก็ต้อไปทกช่ใช่ไหนเขียน่น้อยาลจก็้วนี่ปากแตก วันมันเชิญทางบวมพรมันยกโรรีไม่ต่างแตกเพราบ้าไปมองเลยว่าคอยคิวมาเลยคอยคิวเลยโอนไปแตมาใช่่มาแวีกามาก้วมาเอนีแข่ด้วยนะนี่จอยากให้ทำดีเลยสุดใจใจใจใจโอเลย หนูกินยาลูกรองบอเคนผสมน้ำมึนมีโลกได้ยาขนานใหม่พีชื่อว่ายาเทพประทานได้รับไปจากตอยสายลมและจ่ายเงินเป็ที่เรียกร้อยแล้วครั้งแรกรู้สึกวิงเวียนมีอาการไม่ไมสบาย ครั้งที่สองหายครั้งที่สามสะดวกสบายดีครั้งที่สี่แล้วเรื่อยๆไปทาให้หนูมีความสะดวกสบายทุกอย่างหมดไปแค่เจ็บหายไปหนูอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าให้หลวงพ่อลองถามหนูสักหนึ่งสองบางทีหลวงพ่อจะได้หายป่วยก็ทีเจ้วหายยาเนี่ยฉันได้จํารามาให้คุณผู้ชมให้ฉันก็ขอกินฟรีฉันดีขึ้นพยานี่อันนี้ไม่ไกลเลยใช่ นี่ยดีดีขึ้นีสภาพแข็งแรงเนี่พยาเนี่ยเขาินไปกี่วันเนี่ยใมาทานใช่ไหเองพ่อเวลาหนผมก็ใส่ข้าวต้มให้ละั้งร้อยกระดาษสองร้อยกระด้ษแม่ไปเจอที่ไหนมาเจอรองไงอ๋อโอเคโกโ้เปิายมือกลอกคายกูอไม่ใหญไงอะก็ยอะจังตินแบบนั้นนะผมก็ไดยว่าใช่ใช่ใช่ใช ไอ้เวลาฉันตายนยห้ามเผาไงล่ะทำไมจะห้ามเผาวครับทนทีก็เอาไปโลฉโลทำาเจ๊ใช่ใช่ี่ลอยทุกอย่างยารัประโยชน์เลยใช่ใช้ออกา็ไที่ยกูเออวันี เจ้ดเท็จัเจจรบวันที่ยี่สิบเจ็ดลุจจิสามสามนี้แลวกพอจะพักอยู่ที่วัดข้าวตรงลุตบ่าวที่ถานนี้คือว่าลูกตรลงพนาไปทำบุญให้ชื่อใจจะขาท่าไหนห้าบาทสิบบาทชื่อใจแน่เลยกันเออดีกว่าแมงยี่สิบไปทอนแมงรอยกลับมายูไม่ไปไหนหรอกนะปกติถ้าหลพ่ออยู่วัดมันไม่ ใช่จะอยู่วัดไปไปไหน่วาปก็ถามอย่างนั้นก็ถามว่าอยู่วัดไปไปไหนเลยก็แค่อยู่วัดก็ไม่ไปไหนเออแต่ไปไหนก็ไม่ได้อยู่วัดไปนิจมลไทยไทยแท้เลยนะ้ม่น่าว่าจะไปเมื่อไรจะด้แต่ว่าการนัดแต่งคุณจะเกีงไปไหนบายโมงครงบายโมงครึ่งถึงสามโมงมันจนไม่ไหว รากายไม่ด like uh uh uh ีปกกนก็บ yes euh uh uh ่ายโมงบ่ายสามนะเมื uh ่อก่อนบ่ายสี่ตอนนี้เธอเลือกมันเป็นบ่ายสามใกลช่วงนั้นมาเยียนก็เลยบ่ายาโมงมาเยียนจะจูไม่ได้ทไปเือเือะไนไม่ได้ข้าเารื่อบมาเียนเป็นตัวมยครับใครใครชอบน่ังหัวเลย หืออาเจียนเป็นปกตินี้ครับกลับไปชอบอาเจียนน้อยแต่แบบที่หัวใจไม่ไหลเลยอออาเจียนไม่พอแน่ใแต่ฟังฟังแล้วใจหายเพรฒนาลูกานนเป็นหนมาเงยอยแหายพอแล้เ่นถ้าปกติต้องดี ปกติว่าสินสิ น, น, น, ไ, นได้ปกติไงอาจารย์อเาเจียนไม่ได้เป็นนได้สรป่าใช่ใช่รครับคนี่มันเจีต่อไปได้เลนี่จำได้ยาี่แม่เจียนละกินยาหนี้มาไม่ถึงเดือนยาหนี้เขาให้ตำรามาแล้ว็งหนึ่งเวลาทำแล้อให้โอบไปทำ ก่เองก็ขายได้พ่ขอกินฟรีใช่ใช่ในกาลวนาเจ็ดพ่อเบิกค้าด้วยจ้งไม่ต้นใจมีหน้าเราหมอมาีามารักษาพอ้องจ่ายจงก่อนยัมาถึงพัอรีจ่ายแล้วเป็นระเบียบอเป็นระเบียบมัเป็นระเบียบแมจาวซิลลอนไหม้หมดก็ต้องจ้างจ้างผม ตีราคาไปสามพันได้เท่งไห้สามพัน 3, อีไล้หนึ่งไม่เตียาคาไปให้ห้าเมือนโอ้โหแหมหาก็มีมคนให้ผมเอาวัละใครละใครมาเอาหาหมตามนัน <c oughs> ไมไ่อยู่ได้ตลอดช้องฟังนนะโอ้โหหนกักใจจริงๆอะไรอะไรจะเลยก็ได้หมอ่งเดียวโรคปวยไม่ยอมหายที่<อ>มันได้แล้วนะตัวได้ในในได้ได้ดป่วยอย่างนี้เาเรียกน่อริยสัจ แม่ป่วยไม่ยเจอไอ้ป่วยมันทุกเจ้าไม่เล่าจัดเป็นทุกประสาทแม้ว่อเห็นตัวทุกแบบนี้จะเกิดการเบื่อหน่ายในร่างกายถ้าเบื่อร่างกายอย่างเดียวบณิพันได้สบายสบายปวยนีต้องเป็นของดีเป็นของดีเป็นมาทได้ใช่ีป่วยกแกไม่ไปอะคนนไม่ไป นอนไม่ลับคือยืนละใจเลยขาดออไม่น่าเรับมตุกตะไหนเกิดตึ้งแตกอยู่ระดับไปไม่มีอะไรต้องตกตะุกโง่ถ้าร้แล้วอไรอยาเงอ่ะไราเท้าหลวพ่อที่ก็รอบจังสงพ่าเท้านี้เองนะถ้าของได้ผลผลิตตาชุย โอซีดท่านมาเข้าฝัดบอกก็อย่างนี้เอ็ช่วยไปชำระนี่ชำรแ่หนเออนี่นางพระภูมนี่อยู่ที่นั่นที่นี่ช่วยของรย่างนี้อย่างนี้โอ้ยว่าเลยผมตื่นมาแล้วจำรูปพระไม่ได้จำวัดไม่ได้อำอะไรไม่ได้หวานว สงเกตแก่แล้วแก่แล้วปวยด้วยนีด้วยหวานหอย่างนี้มนไม่ไม่ตงหาว่าม่ต้องหาว่าจะปัญหานี่เราเป็นปัญหาผมก็ว่าทราบอยู่เยถาตกละให้ไปตำละทีนี้วิธีที่จะตำละแกก็ไม่ได้บอกนเดชออ อาจารย์ยนถามนี่ก็คือว่าผมควรจะทะนด้วยวัดภูด้วยปัจจหรือด้วยอย่างไดหรือจะเหมารวมรวบยอดขอรก้อยแนะนเครับอันนี้แนะนาไม่ได้แน่เขาถามเมื่อไหร่ต้น น, น, นั่งอยู่บ้านนู่นนี่พอตื่นมาอะไรก็จาไม่ได้ก็เลย้งหมดกอเลอทั้งหมดแท่งขอที่จะวายหรืออะไรก็ยังไม่ต้องถาวงงงายเอาข้าศั<อ>ตรูไปก่อนจนกว่าเขาจะหมใหม่ว่าอันินั้นจะไม่เหลือใ่ไมลึกไดาแล้ว เ, าานนเราเข้าไปตรงหลังแป๊กเดียวรู้เลยไม่ว่าภาพตรงโออไม่เป็นไร ใช้เป็นสตางคไม่เก็ไ้สตางค์ไแต่เช็คดีๆนะเอาเช็คเรียบๆยังมันดิ่มได้ไปวัดก็ไป่าในโซฟิงไมีวินฟีมีทีสองฉบับไปตัดผ้าแดงแกนะแต่สวายเช็คโซฟิงไงต่อไปตายไปตายนานจนเวลารอปิ้งปิ้ง ต้ให้ฝันใหม่นะขอพาเข อ, ขอ่ยมาฝันใหม่กันแล้วกันนะผ่านไปนี่ก็แล้วก็เจา้าขาลูกได้ไม่บอกกับโรงพยาบาลว่าผ่านแล้วจะทำไรไปลงตาให้ร่างกายกับโรงพยาบาลไว้นี่ก็เลยทำพินายกรรมนที่เรียบร้อยแล้วเมื่อทําเสร็จก็กลับมาบอกกับลูกหลานบอกว่าได้ทําไปแล้วนะ ฆ่าทางแม่ตายวันใดจะไปแจ้งเขาเขาจะได้เอาลูกตาไปเอาศกไปเอาล่างไปให้ลูกหลานนั่นบอกว่ามไม่ได้ทําอย่างนี้เป็นการผิดประเพณีเพราะธรรมเนียม ท, ทีนจะต้องฝังลูกทำพินัยกรรมบรมบานแล้วแล้วลูกก็มีความกุ้งใจว่าไม่ใช่แม่ไข่ปัญหานี้อย่างใดเพราะกรณีผมพ่อหรือที่แม่หาทางออกไม่ไมต้องแก้ไม่ต้องแก้เฉยๆไว้ เราให้เขาแล้วเขาเมาหรือไม่เม้าเรื่องของเขาลูกหลานจะให้หรือไม่ให้เรื่องลูกหลานใส่จิตใจเราเป็นบุญุญสแล้วนีว่าที่บริการแล้วคุไม่ดูแลใช่ใช่ตั้งใจได้เปนแล้วหมหลาสุดไม่แมัทันงกระดกนอย่างนี่นอนหลงพุ่ยไปได้กินเปลปได้กิ่อใช่ใช่เอแ่เลยแต่รา่าเราก็ให้เขาลยสง วันนี้ขอนี้เดียวเพราะว่าได้ฟังเขาฟังของมีหลายเดียวเนี่ยตอนแรกได้ไปเจอกระดูกของคนตายหมายความว่าตายแล้วท้ายที่จะถูกเป็นไม่ดีใช่ใช่หนูอุ้มมาด้วยควาระเกงแต่ก็ต้องคุ้มเพราะว่าวางแล้วมันไม่ยอมไปให้ ก, กระดูกมันจะมาหาลูกที่ อีตอนที่มันเข้ามาหาลูกกี่สีเขาเออต้องเลือดต้องหนองไหลเลเดียวก็ดูตัวผู้ัวเมียมันขึ้นทีแรกใช่ยงอีผมบูรสรุปมาเลยนะนุ๊บันครับอ่าทั้งเรือดทั้งหนองไหลเพราะที่จายเรียนถามก็คือว่าถ้าเราจะเอามาเป็นในด้านวิจารณนากรรมฐานนี่ ลูกควรจะพิจารณาแบบไหนอย่างไรประการใดก็แล้วแต่แบบนี้จะหมายถึงอะไรก็ตามเรียกสุภกรรมฐานอธิกรรมปฏิกรังกระดูกอธิกรรมปฏิกรังกระดูกของเขาสุภโรคร่างกายของเขาร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเรามีกระดูกเหมือนเขากระดูกของเขาทรงกระเช่นใดกระดูกเราทรงกระเช่นนั้นเป็นนัสุภกรรมฐานข้อที่10 ที่ติงกระัที่สิบจับหนึ่งศูนแม่รู้ว่าจะจอดที่ไอเลยนะอะไรจะได้ขาดออกไปกรรมฐานกองนั้นไปเลยนะอากาศฝ่ายนี้ก็ดีแทนนะเป็นเก็บมเรืองกรรมฐานนำผ่านไปทางนี้อะไรอเาเบบาหลวก็อที่เขารกอย่างโถ ลกมีโอกาสไปเที่ยวเมืองอ โ, โยธยากรุงเก่ากรุงเทพาพรสีสุยาได้เห็นพระรามต่างๆสลักหักฟังก็ไอพม่าหาร้อยและเจ้าที่ไทมันช่วยทำจนกระทั่งโพตรนิวสถานผลาญทลายเชิญความสำเ ร, ร็จจดใจโคโนอร่างกายของคนเราอาจจะผัาญทรายตลาดกระจายในทุกไม่วันใดก็ ว, วันใด กรงยังไม่ทันจะถึงขึ้นเิลาเดตาเหลือบไปเห็นพระเพิ่มอยู่ในซอกอาซอกขีดเลยกดสักพาไปกัเทวดาครงทำไมเรื่องนี้อนุจรยงจริงกรงยังไม่ทันได้สายคำเลยนะใช่ใชด้วยความดีใจว่าเทวดาจะสรอบก็เลยเอากลับมาที่บ้าน ทีนี <c ười> ้พอมาฟังพระหลพ่อพูดเืองของสวักนาเรื่อใจแปะพันทีจะเอาไปตืนนตัดใดจะเอาไว้กับวัใจแปะถามหลวงพ่อทีหนึ่งว่าถ้าผมจะเอาตตัมารนี่หลวพ่อเพื่อให้หลวงพ่อเอาโติกรรมโทษความิตยาหลงพ่อจะคิดเท่าไหร่ขอระอาแสนเดียวว ไม่想ต้องจุดไบมก็พอใช่ใช่เอาไปเดินหน้าตัดกสองเขาคุณะต้อเชื่อเขาแนหนเลยฮะสุดที่สุแล้วลุงพ่อตอนกักขาวันที่ลุกพ่อเบายันกรอบแค่คือวันข้าวตูนนั้นลูกก็เลยอุตตริคิดอยากจะก้อนจุดกคอนจุดหลานสาว เพราะว่าเป็นวันนี้ลูกลูกคนนี้จะได้เจริญรุ่งเรืองผลปรากฏก็ได้ไปที่หน้าพอใจมันตื่นการมันขโมยเอเดี๋ยทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ลูกก็อยากจะมาพึ่งบารมีหลวงพ่อว่าอขอให้หลวงพ่ออะไรนะเรียบกอ๊อ ข้าไม่เจอออกควานยังไงก็ไม่ก็ทีมันเป็นเองแต่วันเสารห้านี่เขาไม่ทำไม่ทางานมงคลอย่างอื่นนะนอกจากกลูกเศราท่านเฉาะฉะนั้นเป็นเป็นอะไรงคนเหมือนกันแต่มงคนปลตกเสกเพราะนั้นะใช่ใช่ใก็เลยขลังดิ แต่ว่าหเอาหม่พอถึงวันสอห้าเริ่มทาจุกใหม่ออคนอื่นแก้แทนแแนเพราาทจ่าใช่ใแล้ววันต่อไปใช่ใชมีจุกใหม่ใหม่ ลกก็เลยเอามาจากบ้านครกแต่ว่าไม่เหมือนกับลอยสายลมลาคือลูกใช้ดอกไม้ประดิตใหม่ตรงเอฟเป็นผ้ไาไม่ใช่ดอกไม้สดยอดผูกลูกกไใช้ผูกสมัยใหม่ใช้ผ้าพล า, าสติผพาก็พานเขสติอะไรก็ตสติหมดเวสเซนน์มันก็หลงหนึไม่ใช่พลาสติก็มาสงสัย <c oughs> ว่าเวลาสุดมโ น, นมานิศิ มันลำลำลรืมเรื่มจทัดก็ไม่ทัดจะแจ้ก็ไม่แจ้งอันนี้จะเกี่ยวกับไม่ถูกต้องตามระเบียบการของหลวพ่อหรือต่าหรือคะไม่เกี่ยวเคจิตใจตัวเองไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่กาลังใจไปสมาธิไม่พอที่ไปปัจจุนญาณไม่พอความจํมใสยังไม่พอต้องทํางทำบ่อยๆไม่ใช่ไปทำเดี๋ยวได้จํมใสเกิดเก่งือกทรงไป ไังห้ยมาหน้าดูใช่ใช่โอ้ตกลงว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนั้นนไม่เก่ยวก็ตัวเองได้ใจใยังไม่ถึงขั้นแต่หลวงพ่อว่าเพื่อให้ปัชนายาเนี่ยแก่ๆจะไป่อนหลวงพ่อแต่นม่ปรัชนายให้แก่ๆอ่ก็อยู่รานาจางฉันที่ยาแม่เนีก็แก่ไะโอ้ที่ปรัชนายาแก่ก็เป็นอยู่ให้แก่ๆ แนะนำไงแค่นาฬิานุสติส่งสมาธิให้ดีรู้จักทุกกระสับจากทุกตัวเดียวก็พอรู้จักแล้วรู้จักว่าชีวิตีต้องตายทักษาสิงห์ในภบท่วนคารุปใจสุนาคนเห็นโลกทั้งโลกไปทุกพอแล้วเอานี้ก็ไปว่าฐานแล้วไอ้นี่ก็น่าจะย่อแล้วนะไอเทียตายจะตายเป็นก็ไม่ได้ พูดเย่อหยก็ไม่ได้นะาพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงไอ้พวกนั้นก็พวกที่เด็กกันานพ่อถึงอาใช่อไม่น้อกาแฟหนึ่งที่ที่ที่อามาอกมาลอพ่อลอไรนกอะไรอะไที่เด็กแฟอะไรจะทำไม่ได้เลยด้วอย่างนี้อาน่าจะปดุใจด้วยว่าหนังสือทำเอาวิโมกเลยนะเขาลอกพ่อเขาเป็นเด็กคบเขาต้องเด็กคบ เยอะหลายเรื่องหลายหลายอย่าเขาขอมามนไม่น่าเชื่อลวจะเป็นไปได้ผมบก็อย่างนี่แค่อ่านคําิเคราะห์แล้วเขาก็ทำตามนั้นเลยเนี่ะใช่ไม่มีตูไม่มีอาจารย์อาศัยหนังสือต่อไม้ตุ้งเทียนไม่มี้ขาบอกว่าผมอยู่นอกคุกนะผมไม่เคยเห็นอะไรเลยด้วยความเป็นี้แต่ว่าอยู่ในคุกจะดีกว่าอาศัยรวิโาหผมก็เลยมาด้วยใจนี้ใครรกย่มสิคุกที่กมจะแจกเลยนี้ใช่เลยอช่เลย สีหูท like ี yeah. ่ใบก็พอแล้วหีึ่กข้างบนใบพวกข้าบนีแล้วนี่ก็เป็นของโฆนานะใครก็ไม่ทราบ่ส่งอาทำที่พวกัข้าไปในเดืนตันนะเป็นปมะโยชนอย่างมากเลยเพราะว่าพวกนันโทษอะไรก็อ่านไม่ทำอะไรก็อ่านแล้วก็ทาโอแแก้ใจได้ถุกมาลองมาเยืทํแทสมาธิเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมารฐานจนเกินไป เราะว่าที่นั่นป็นเป็นทุกข์รือว่ากมฐ า, านจะได้ต้รู้จักทุกข์ถ้าไม่เห็นาาทุกข์ก็ไม่เห็นกรรมฐานเห็นทุกข์เ็นกรรมฐาเ น, นเรื่องการเงินเขาเ ม, มีระเบียบด้นในเวลาเขามีใช่ไหมเต็มเวลาเท่านั้นนอนเวลาเท่านั้นทา ง, งานเวลาเท่านี้ถ้าพูดจะรกรรมฐานก็มีหมดหนึ่งเขาขอไปเรื่อยๆหนังสือนะไม่ใช่เขาไ่เอย่างเดียว ใช่ใช่เราจริงเขไม่โมกาบเนเหลื่เหลือิใช่เหลือแน่เขี้ยวนี่หมดแล้แค่แค่โวกเี้ยวนหมดแต่ก็ดีนะขนาดทำมาคือราคาทำให้โมกกนเหมือนเดิมยังเนี้ยรวยแน่ใช่คือราคาสติยากอ่านไปอะไรเนี่ยลอพ่อเจ้าขาลูกเต็มซีว่า อะไรตถาจะเสี S <S ้ยลงมืนสารวัตรแล้ววันนี้เขาก็กำลังใจได้การทำความดีของลูกมันเดียวแน่ยางไรจะบอกไม่ถูกดูว่าอย่างนี้ทำบุญทำกุศลลูกทำตามแบบสบาบหลวงอทุกอย่างสิ็นรักษาและยังมีสินแปดผสมในวันพระด้วยพาวันนาไม่ต้องห่วงเลยหลวงพ่อครูกว่าขียิ่ก็อยากจะรวยเร็วๆแต่ไนิยาลูกคนท่างบ้านไม่ได้เลย มารวยก่อลูกมาทาอะไรก็ได้ดีไปทุกจย่างลูกทำอะไรแล้วไม่เด้เรื่องเลยลูกจนอยากไรมาศึกษาหาเรกับไปบอพ่อว่ามีทีเด็ดทำแนะนางอย่างไรจะไปช่วยคนข้างบ้านได้บ้างศึกอาป่า้ายังไงกันมารวยทุกคนไม่ได้้จะไปช่วยเขาจะไจะเอาทีเจากหลวงพ่อให้รวยทุกคนไม่ได้อ้อย่างนี้ก็ไม่ได้ม่อยากหวานกันหวานอีกหวานนี่ี เออดูตัวอย่างใครแหละมหาวิทยาลัยเศรษฐีเขาอยู่กับพระพุทธเจ้าใช่ไหมทึ่แร่พาไปมหาเศรษฐีก็เป็นก ร, กรรมที่พรเอาูศนเขมาตัดกลายเป็นคนยากจนต้องกินข้าวปลายข้าวแต่ ว, ว่าสายที่เคา่พพระพุทธเจ้าไม่ชาก็เลยตามเดิมเป็นกรรมโชคลาวนะ ป, ป, ปอ น, นี้ก็ต้องามกำลังใจว่าใช่ที่การเินิบกร ตอนนี้รักษาลงเดิมไม่ห่อนใช่ใช่ใช่อนี้เป็ น, นยันว่าจะให้พังแต่ามจงที่เดียวพ่อบว่าคาาร้าถาหาคาาเป็นปกติจิตสบายๆเขาเขาจะต้องทำแบบสบายๆปกติอยู่ที่จิเ ย, นยน็นๆเ้าค่อยทำนะบ้าบ้าแบบสบายๆจิตเป็นสุขแต่ตอนไหนคือาาาตอนสมตอนไหนอากาศก็ได้ อ้าเย้ว่าถ้ากดของกรรมเข้ามาริตรอนอยังยังนอ้อนิดกับีใช่ไมไม่ก็มี น, นินไม่ต้องต้องต้องเชื่อตามนี้ก่อนนะถ้าเปไ็นนี้หมายความกรรมแม่สลธรรมตัดรอ น, เ, อส น, สนสรเลยใช่แล้วก็ไม่ช้ า, ม, ม, ชามันจะสลายตัวไปสุนมาใหม่ก็เลยใหม่เขาอกอารมณ์านตายใช่ใช่ใช เพื่อนฝากมาถามหลงข้อว่าถ้าจะถวายอาหารปัดลูกชายหลวงข่อที่ลูปเท้าไปแต่คอยใสลงเบลอเพอง์รวมแค่20บานอยากจะเยนถามลูก่ายหลวงข้อว่าอาหารมือเท้าต้องการอะไรมือกลางวันแบกไหน แล้วตอนเย็นไมโลหรือโอเันติงห่อชี้แจงให้ะเอยดได้ปฏิบัติดีกว่าตอนเช้าแม่โคงตะวันกวางทองตอนเย็นไอเป็กไม่ให้เขาปลับสนเลยใ่้ะอะไรก็ได้นะสุ้มไม้ก็ดีง่ายๆดี ลายลายไม่เอไม่ลาไม่ฟันยไม่มีอะไรก็ได้ะแตเราอแ่ที่เราชอบเรขอนที่เราชอบกันแล้วกันนะโอลูกขายพ่องเกียอะไรเลยนะเขาังเกียจอะไรเลยอล่าท้ายเรอละม้ไล่ก็ได้แล้วก็ปนอะไชอบใจอะไรก็ะไเถอะ รกสังฆารูปติใช่ใช่ประสงคแต่ว่าเวลาข้าเวลาสวายนะตั้งมโหก่อนเป็พุทธานุสิตด้วยใช่แล้วแบบของทีสวายเป็นอหาทานแล้วสังฆารูปติจะฉลองบูชาโอ้ถ้าเด็กบูชาหรจังบูชาโอที่ที่ที่นี่เรียกว่าต้บ ยาลัทเราข่อเปานะลูกตาใจใจกระหวายเจ้าลูกสาวไม่ตายลกข่อไม่ม่ออร็ดขนลูกสาวมามีอลูกสาวตสาวตัวมามีแก่แก่แต่ลูกสาวไม่เมือนฉันอายุแต่ไรประมาณตสมสบกว่านะแกเจ็ดสิบกว่าแล้วไปแม่กูไปแล้วมั้ง เคมันไปฉันที่บาที่ร้านแกหล่อเนาะใช่ห้ว่าหลานงอ่าใช่เอออเวลาที่ใช่าถอรวมว่าหลวงพ่อก็รูว่าพระจายานะถวายรูสาลวงพนต้องเารูปาวขอมีนั้นตัวของไม่เอาแก่เไปนะรูสาวมั่มีก็ยังสาวพิ่งสมัยนั้นแค่เจ็ดสิบเลยมัยนั้น รงพยาบนี่ก็ร้อยกว่าแล้วนะใช่ร้อยกว่าจริงมันไม่ต้องไปนักนะครับคนนี้แต่ก็เป็นเรื่องเนี่ยตอนนี้หาบุญวันเกิดันเยอะมาก